ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มปฏิญาณในวันนี้จงเป็นการตอบคำถามอีกเช่นเคยท่านถามว่ามือปืนคนที่เป็นมือปืนรับจ้างจะได้รับผลกรรมอย่างไรบ้างวันนี้บาปกรรมก็คงแรงนะครับเพราะว่า มันเกิดขึ้นจากโลภะในค่าจ้างแล้วเกิดขึ้นจากโมหะในสิ่งที่ตนทาลงไปพรผลบาปก็ต้องแรงเป็นธรรมดาก็เรียกว่าผิดศินที่ชัดเจนเป็นปนาณาติบาชัดเจน แล้วก็เป็นการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเป็นอาการของโลภะกับอาการของโมหะซึ่งไม่ได้กรดเคืงอะไรกันคือไม่ได้รู้จักมักกีอะไรกันกับคนที่ตนเองไปฆ่าเขาแต่ก็ททำไปเพราะโลภะในตัวเงินแล้วก็โมหะในตัวเหตุผลในการตัดชินใจทำ ตัดสินใจประกอบอาชีพลงไปอย่างนั้นโมหะเป็นกิเลสประเภทที่มีโทษมากแล้วก็คลายได้ช้าโลภะเป็นกิเลสประเภทที่มีโทษน้อยแต่ว่าคลายได้ช้าเพราะเมื่อมาจากฐานใหญ่คือโมหะก็จึงเป็นบาปมากเป็นธรรมดาประการต่อไปถามว่าคนที่ประกอบอาชีพค่าสัตว์จะรับผลกรรมอย่างไร คือเป็นเหตุอายุสั้นนะ่ะอย่างหนึ่งแน่นอนแต่ว่าในรายละเอียดในเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ไม่รู้ว่าสัตว์ชนิดไหนสัตว์นั้นมีคุณมากไหมมีเจตนารุนแรงไหมแล้วก็มีความพยามากไหมคือจากการที่พบหลักฐานต่างๆปกปานาธิบัตนั้นก็ ต้มาก็ไม่พ้นนบายนะครับเพราะว่ามันสัตว์มันตายเยอะเป็นอาการของโลภะอาการของโมหะเช่นเดียวกับการฆ่าคนการเป็นมือปืนรับจ้างแต่ว่าทำปธิบาตมันอาจจะทำมากกว่าแต่ว่าสัตว์มีคุณน้อยกว่านะฮะสัตว์มีคุณน้อยกว่าผลบาปมันก็บาปน้อยกว่า ก็เคยท่านเล่าถึงบุคคลที่ประกอบอาชีพปานาธิบาทตายไปเราตกนรกแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์ก็อายุสั้นหรือบางครั้งบางคราวก็โรคภัยค่าเจ็บเบียดเบียนมากแล้วก็มักตายในวัยที่ยังไม่น่าจะตาย เพราะว่าตัวเองเคยไปตัดรอนชีวิตคนอื่นมาข้อต่อไปถามว่าคนที่รับประทานเนื้อสัตว์จะเป็นบาปหรือไม่อันนี้ไม่เกี่ยวคือมันไกลมูลกรณีกรณีของการกระทาที่เป็นบาปนะคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การระพรถุพิตในการมการพูดเท็จเป็นบาปสากลแต่การรับประทานเนื้อสัตว์นั้นมันเลยขั้นตอนมาหลายขั้นตอน แต่เราไม่ได้เชื่อมโยงอยู่กับการฆ่าแต่ว่าไปผูกโยงอยู่กับการรับประทานซึ่งก็เป็นความต้องการของร่างกายปกติธรรมดาสิ่งที่รับประทานนั้นก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแล้วนะฮะมันสิ่งที่ถูกทำลายชีวิตไปแล้วก็จะถือเป็นปณิบานก็ไม่ได้แต่ถ้าหากกระไรก็ฆ่านะครับเระชรก็ฆ่า หรือว่าได้เห็นได้ยินรังเกตยสงสัยว่าเขาฆ่าให้เรากินแต่ในกรณีนี้ก็พูดถึงพระจะต้องอาบัตก็ไม่ได้พูดถึงชาวบ้านก็ในแนวของกุศลกรรมบุเองกุศลกรรมบุตสิบเองนะฮะก็มีประเด็นเดียวคือว่าเราชายเขาฆ่าหรือยกจ่องสันเสริญผู้ฆ่า ย, ย, ย, ยินดีในสิ่งที่ได้มาจากการฆ่า ถ้าเราไม่ไปเกี่ยวข้องในสามช่วงตรงนั้นก็ถือว่าไม่บาป ก, ก็ที่จริงสี่ช่วง น, นะฮะคืออาจจะเกี่ยวข้องทั้งสี่ช่วงคือฆ่าเองใช้คนอื่นฆ่ายกย่องสันเสริมผู้ฆ่าแล้วก็ยินดีในสิ่งที่ได้มาโดยการฆ่าแต่เราไม่เกี่ยวข้องในสามช่วงในสี่ช่วงนั้นก็ถือว่าไม่บาปข้อต่อไปถามว่าคนที่ชอบนินทาคนอื่นสภ า, าว่าจิตของเขาจะเป็นยังไง สภาวจิก็ผิดปกตินะมีความลิสยามีความบิดเบี้ยนมีความหึงหวงมีความไม่ชอบมีความอาฆาตพยาบาทมีความพร่อยหรือเป็นคนที่ปากพร่อยคือใจนั้นเป็นมโนทุจริตวาจาก็เป็นวจีทุจริตก็แสดงว่าทุจริตอยู่สองตอนคือมันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะฮะว่าจริงการนินทา แต่นินทานั้นไม่ได้หมายถึงการเอาความจริงที่เป็นประโยชน์มาพูดนะนินทาเป็นการพูดอะไรเกินความจริงไม่ใช่ว่าเอาความจริงที่เกิดขึ้นจริงมาพูดกันอย่างนั้นเขาไม่ได้พูดว่า น, นินทานะพูดในแนวของการรายงานถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่ก็ต้องมองเรื่องประโยชน์ที่จะได้จากการพูด ถ้าไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่ควรจะพูดบางทีกรอบก็นินทายเราก็ดูกรอบไปออกเหมือนกันเพราะกรอบเนี่ยมันมันเป็นมากมากมากน้อยแค่ไหนเป็นไรถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นธรรมแล้วก็มีประโยชน์เราพูดถึงเรื่องคนอื่นนี่แหละเป็นเรื่องจริงแต่เป็นธรรม แล้วฟังแล้วคนก็ได้ประโยชน์เช่เราเล่าเรื่องต่างๆของคนต่างๆเดี๋ยวก็ทําถูกทําผิดเนี่ยมาเป็นแบบอย่างให้คนอื่นได้สํานึกสำเหนียมันก็ไม่น่าจะเรียกว่านินทาแต่นินทาก็คือพูดในเรื่องเกี่ยวกับเขาในทางไม่ดีแล้วก็พูดเกินความจริงไปหลักเกณฑ์ของมุสาวาทเนี่ยมันน่าจะเป็นหลักเกณฑ์ในการตัดสินได้ มุสาวาทนั้นเขาพูดเรื่องตามที่ได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาถ้าพูดอย่างนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นมุสาวาทถ้าพูดเกินจากที่ตนได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาก็ถือว่าเป็นมุสาวาทหรือพูดน้อยกว่าที่ตนได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาก็ถือว่าเป็นมุสาวาทแต่ถ้าพูดไปตามประสาทสัมผัสของตนมันก็ไม่ควรจะถือว่าเป็นไม่ไม่ใช่ไม่ควรคือไม่ไม่ถือว่าเป็นมุสาวาท พระนินทาเนี่ยต้องหมายถึงมีความเป็นมุสาวาตอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าพูดความจริงของใครไม่ได้เลยมันคงไม่ใช่อย่างนั้นประการต่อไปถามว่าทาอย่างไรจรึงจะพ้นทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงถามสั้นนะแต่ตอบยากนะทุกข์สิ้นเชิงเนี่ยมันอย่าลืมว่าทุกข์ของมนุษย์เนี่ยตราบใดยังเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันมีทุกข์นะ ผลคำบรรทุกสิ้นเชิงมันก็หมายถึงว่าต้องทําลายเหตุที่ให้เวียนว่ายตายเกิดได้ได้าสาแต่เหตุยังเวียนว่ายตายเกิดยังมีอยู่ระดับนั้นความทุกข์ก็ไม่หมดไปอย่างสิ้นเชิงแต่นี่การจะปฏิบัติมาถึงระดับนั้นได้เนี่ยมันจะต้องดําเนินตนไปตามหลักอริยมรรคเี่ยมแปดประการจนมีความสมบูรณ์แล้วเกิดญาณผุดขึ้นภายในใหญ่ ก็เปเหตุได้ท่านรู้อริยสัจสีตามความเป็นจริงแล้วก็ทำลายอสวกิเลสให้หมดไปจากจิตใจได้จิตใจหลุดพ้นจากตัณหาจากอุปาทานต่างๆได้อย่างสิ้นเชิงถ้าเป็นอย่างนั้นความทุกข์ก็หมดไปอย่างสิ้นเชิงแต่เอารดหลั่นลงมาให้ได้ก่อนเถอะ เอาระดับความทุกข์ระดับศีลทำจรรยาเนี่ยทำยังไงจะลดความทุกข์ลงไปได้ความทุกข์สิ้นเชิงเป็นเรื่องใหญ่เกินกับมังไปบางทีก็ถือว่าเป็นขวัญไว้ก่อนเป็นจินตนาการที่จะสัมผัสผลคือความทุกข์ดับความทุกข์ไปอย่างสิ้นเชิงในโอกาสต่อไปเนี่ยแต่ว่าในช่วงนี้คือทํำยังไงว่าศึกษาถึงสาเหตุแห่งทุก อะไรก็ตามที่เป็นเหตุแห่งทุกข์มีพระพุทธธรรมบัญัตข้อหนึ่งทรงใช้คําว่าละเหตุแห่งทุกข์ได้เป็นสุขในทีส่สัง朴หมายความศึกษาอะไรก็ตามที่มันเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์เช่นว่าการพ น, นันเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์การเสพสิ่งเสพติดเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์การเที่ยวกลางคืนเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ การเป็นนักเลงหญิงเป็นเหตุแต่เกิดความทุกข์อะไรแต่ไรในพวกใบยมุกทั้งหลายพวกงายงว่าใบยมุกทั้งหลายเนี่เป็นเหตุแต่าา ง, ง, ง, าางตุกหรือการละเมิดศีลทั้งห้าประการเนี่ยเป็นเหตุแต่งทุกการก่อการทะเลาะวิวาทกันเนี่ยเป็นเหตุแต่งตุกการคลองเรือนโดยไม่เข้าใจถึงหลักการในการคลองเรือนเนี่ยเป็นเหตุแต่งตุกก็เหตุแต่งทุกมันมีเยอะ เอาในชีวิตประจําวันให้ได้แต่ก่อนว่าทํำยังไงจึงจะบรรเทาความทุกข์ในชีวิตประจําวันลงไปให้ได้ส่วนความทุกข์อย่างสิ้นเชิงมันมีคนที่สิ้นเชิงได้พวกเดียต่เดงคือพระอรหันต์นะฮะแต่คนเหล่าอื่นแล้วไม่มีใครที่หมดความทุกข์และสิ้นเชิงหรอกมันมีทุกข์มากหรือทุกข์น้อยเท่านั้นเดงถามต่อไปว่าทําอย่างไรจึงจะทําให้กิเลสหมดไปจากใจอันนี้เช่นเดียวกัน กาตอบมันเหมือนกับความทุกข์โดยสิ้นเชิงไงนะแต่นี้เป็นเหตุ น, น้ำเวีนผลเรื่อกิเลสเนี่ยมันตรงกันข้ามกับธรรมะแต่เราพูดโดยสรุปเนี่ยกิเลสก็คือโลกกดดันธรรมะก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือฐานศีลภาวนาถ้าคนดําเนินตนไปตามหลักของศีลสมาธิปัญญาหรือฐานศีลภาวนาเนี่ย เมื่อปริมาณของทานศีล ส, สมาธิปัญญาเพิ่มขึ้นกิเลสประเภทโรคกวดหลงก็จะลดลงไปโดยลําดับมันเหมือนกับในห้องห้องหนึ่งที่ความร้อนมันลดลงเนี่ยเมื่อความเย็นมันเพิ่มขึ้นเนี่ยคือแสดงว่าความร้อนก็ลดลงพอถึงจุดหนึ่งความเย็นเกิดขึ้นเต็มที่ในห้องนั้นก็ความร้อนก็ไม่เหลืออยู่กิเลสมันก็เหมือนกับความร้อน ธรรมะก็เหมือนกับความเย็นที่ไม่มีการอยู่ร่วมกันในจุดเดียวกันในขนาดเดียวกันเมื่อควายหนึ่งบรรเทาลงควายหนึ่งก็หมดไปอย่างสิ้นเชิงดังนั้นาการที่จะทำให้กิเลสเขาลดไปจากจิตใจได้เนี่ย มันก็ทํามาอยู่สามระดับระดับหนึ่งคือทายังไงใหญ่ยยมันล้นออกมาข้างนอกลดนะฮะไม่ใช่เราเอ า, เอาหมดพูดว่าให้มันลดลงไปคือมันมันมีแต่ไม่ถึงกั็ล้นออกมาข้างนอกก็ได้แก่ไม่ประพฤติในทางอบายามุกในทางผิดศีลการละเมิดศีลเนี่ยเป็นกิเลส ท, ที่ล้นออกมาข้างนอกพอร่นออกมาแล้วเบียดเบียนตดนแดงเบียดเบียนบุคคอื่นจนเดือดร้อน ประการต่อไปก็คือว่าทำยังไงอย่าให้มันเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจมากเกินไปใจมันสายไปด้วยความรักความใคร่ความปรารถนาะความพอใจความต้องการความอาคติปาัดไ้ง่วงเหง า, หานนงงงงเหงานอนซึ่งซึมงอิ้งเหงาหดหูเคลิบเคลิ้มจืดชืดชาเย็นเหนื่อยหน่ายท้อถอยสิ้นหมดอะไรตายอยากฟุ้งซ่านราคาญหงุดหงิดอะไรต่ออะไรเนี่ย อย่าย้ายจิตมันเป็นยังไงย่ า, ยา้จิตมันเหมือนกับคนที่เป็นหนี้เป็นสินคนอื่นจะต้องชดช้ก็อยู่ร่ำไปอย่าย้จิตเหมือนกับคนป่วยที่ต้องทุกธรมานแต่ลาพังอย่าให้จิตเหมือนคนติดคุกที่สูญสิ้นอิสระภาพอย่าย้ายจิตเือนคนตกเป็นทาสถือไม่มีความเป็นอิสระในตัวเองและอย่าให้จิตเนี่ย เหมือนกับคนที่ต้องเดินทางธุร ก, กันดารซึ่งมีความเสี่ยงภัยเสี่ยงอันตรายอยู่บ้างนั่นก็คือพยายามบรรเทาระดับนิวรณ์สองข้อนี้ถ้าทาได้ก็บุญเยอะแล้วนะฮะที่จริงสังคมเราเนี่ยเอาระดับกิเลสล้นเนี่ยนะแก้กิเลสล้นได้แก้กิเลสระดับศีลได้เนะี่ยมันก็จะบรรเทาลงไปได้ ประการต่อไปก็คือกิเลสประเภทเรียกว่าละเอียดกิเลสประเภทนี้มัน <c oughs> มันทำได้ด้วยระดับมรรคนะครัเขาตัดขาดได้ด้วยระดับอริยมรรคพระอริยบุคคลโสดาบันสกิตาคาอนาคาลาหันเนี่ยตัดกิเลสได้ไปโดยลาดับแต่ว่า คนจะทำได้จริงๆเขาต้องเป็นพระหานังกล่าวตอนในชั้นนี้ก็ลดกิเลสประเภทล้นกับกิเลสประเภทกลุ่มกลุมใจได้สุขภาพใจก็จะดีขึ้นเยอะปัญหาระดับศีลธรรมระดับสังคมในปัจจุบันเนี่ยเป็นปนัญหาที่เราไม่สามารถจะคุมจิตใจเราให้กิเลสมันลดลงไปได้ แล้วก็นิยมใช้ความรุนแรงแประกอบออกมาเป็นอาจ嘉 ก, กรรมเป็นศึกสงครามมีการเกณฑ์ฆ่าทำลายล่างกันมีแต่ข่าวคราวซ้ำซากพฤติกรรมซ้ำซากต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าเราปล่อยให้เดอกา์เหล่านี้เกิดขึ้นจนกลายเป็นปัญหาที่ทยอยกันไปเป็นขึ้น เป็นปัญหาศีลธรรมแต่น ald, ai, ad, ําไปสู่ปัญหาสังคมนาไปสู mm ่ป hmm> ัญหาเศรษฐกิจนาไปสู่ปัญหาการเมืองนาไปสู <S <S <S <S ่ปัญหาความมั่นคงนาไปสู <S <S ่ปัญหาสังคมจิตวิทยาอะไรมันไปหมดเลยเพราะว่ามันเป็นปัญหาทางศีลธรรมปัญหาทางศีลธรรมเนี่ยกระทบหมดแต่ถ้าเราแก้ปัญหาที่ศีลธรรมได้เนี่ยปัญหาตั้งยก็จะลดลงไป ข้อต่อไปก็คือถามว่าเมื่อคนเราตายไปแล้วจิตจะไปอยู่ณที่ใดก็ไปถือปฏิสนธิในกำเนิดต่างๆตามต้งควรแกร่กรรมพระเจ้าทรงแสดงไว้โดยสรุปว่าคนที่ทาชั่วเนี่ยเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจะบังเกิดในทุกขติวินิบานโลกคนทําดีหลังจะตายไปแล้วก็บังเกิดในสุ ก, กติโลกสวรรค์ เป็นระดับของท่านที่ได้ฌานเป็นพระพรหมก็บังเกิดในพรหมโลกนะฮะได้ฌานได้ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปในบังเกิดในพรหมโลกแล้วก็ท่านที่หมดกิเลสก็ไม่ต้องเกิดอีกเอาเฉพาะพระอราหันต์นะฮะไม่ต้องเกิดอีก เพราะนั้นคำวั น, นาที่ใดเนี่ยมันพูดได้เฉพาะระดับปราจากพระนาคามีลงมาพูดกับพระราหันไม่ได้เพราะมันไม่มีที่เกิดไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ไปนะฮะมีแต่การดับเป็นการดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงข้อต่อไปถามว่าเคยได้ยินมาว่าคนที่ไม่แต่งงานเป็นผู้มีบุญ อยาทราบว่าจริงหรือไม่แต่คนที่เป็นโสตเช่นนี้ชาติที่แล้วทำกรรมอะไรไว้คือมันก็เป็นพูดกันคนละระดับนะถ้าระดับชีวิตรครอบครัวเนี่ยมันก็ควรจะมีครอบครัวมีคู่สามีมีภรรยามีบุตรทุกคนเราต้องดูแลกันเมื่อเรายังเด็กก็ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลคือพ่อแม่ดูแล เมื่อแก่ชร า, าเนี่ยลูกก็ต้องดูแลพ่อแม่สังคมมันต้องสืบต่อกันมาได้อย่างนั้นคือไปเทียบเคียงอย่างนี้มันก็ไม่ได้เราถ้าสังคมธรรมดาธรรมดาเนี่ยหมายควาะมว่าครอบครัวที่อ บ, บุนะ่นและเป็นสุขนั้นก็ถือว่ามีบุญเป็นบุญระดับศีลธรรมจรญญานะฮะคือเราอย่าไปเทียบระดับหนึ่งที่ไม่แต่งงานประพฤติชีวิตโภมจันทร์มันอีกระดับหนึ่ง คือถามว่ามีบุญเนี่ยปัญหาวิชาชีวิตยังไงไม่ใช่ว่าไม่ไม่แต่งงานเพราะไม่มีใครยอมแต่งด้วยหรือไม่มีใครยอมยุ่งเกี่ยวด้วยแต่การไม่แต่งงานเนี่ยต้องเป็นเรื่องของการมาสังวรคือสมรวมระหวังในกาหมุดเว้นในทางมีเพศสัมพันธ์มายุ่งเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์เออถ้าอย่างนั้นก็เป็นการรักษาศีลมันก็มีบุญในการรักษาศีลนเะนี่ยรักษาศีลถินแปด สินบนสดสินแปดเลยถ้าหากว่าจะไม่มีคู่ครองตลอดมันต้องรักษาสินแปดสินนะแปดนั่นแหละตัวที่เป็นเป็นเหตุให้เกิดบุญแต่ทีนี้ถ้าหากว่าศีลก็ไม่รักษาแล้วก็ไม่แต่งงานเพราะไม่มีคนที่ พ, พอใจแต่ก็ที่จริงก็ยังอยากจะแต่งอยู่ไอ้อย่างนี้มันก็จะถือมีมีบุญมันก็ไม่ได้หรอกสู้ที่เขามีครอบครัวเป็นสุขมี พ่อแม่ลูกอยู่กันด้วยปกติสุขไม่ได้แต่ถ้าไม่มีครอบครัวแล้วก็ตั้งตัวเป็นอนาคารกษรักษาศีลอันนี้ก็ใช่แต่ถ้าเทียบอย่า ง, างนั้นนะก็ใช่เพราะอะไรเพราะว่ามันมีโอกาสได้ปฏิบัติระดับพรหมจรรย์แล้ว ก, ก็รักษาระดับศีลแปดแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ ใครรักษาศีลแได้ก็แปลว่าเก่งทีเดียวการเทียบเคียงนั้นมันมันเทียบเคียงกันคนระดับไม่ได้คนรักษาศีลแตดด้วยกันใครรักษาได้นานกว่ารักษาได้ละเอียดกว่าประนีกว่าคนนั้นก็เก่งกว่าต้องมีบุญมากกว่าคือมันต้องเทียบชั้นเดียวกันฮะในช่วงเดียวชั้นเดียวกันเทียบกนระช่วงกัะชั้นมันก็เทียบกันไม่ได้ เป็นคำพูดบางทีก็เป็นคำพูดเฉยๆคนที่มีครอบมีครัวที่อบบุญที่พ่อแม่ลูกอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขแล้วก็รักษาศีลห้าได้เนี่ยนะแล้วก็มีบุญไม่ใช่ธรรมดาาะศีลห้าเนี่ยถ้าเรารักษาได้เราก็ปิดประตูนรกได้บางกัน คนส่วนใหญ่ที่ตก น, นรกมันก็ผิดสินห้านี่แหละแต่ถ้าเรารักษาได้เราก็ปิดประตู น, นรกได้ทีนี้ถ้าหากว่าคนหนึ่งไม่แต่งงานรักษาสินห้าคนหนึ่งแต่งงานแต่รักษาสินห้ารักษาได้ดีโดยการนั่นเนี่ยมันก็คือคือกันแต่ว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยคนที่เขามีครอบครัวเป็นหลักเป็นฐานเนี่ยเขาก็อบ่นกว่าเขาก็ปลอดภัยกว่าเขาก็มั่นใจได้มากกว่าเพราะว่า เวลาเจ็บไข้ไม่สบายขึ้นมาเนี่ยมันมีคนดูแลมีคู่ทุกข์คู่สุขกันจะดูแลจะแบ่งเบาภาระปัญหาต่างๆให้แก่กันแล้กันแต่ถ้าสวดไปเลยเนี่ยจะถือว่ามีก็ตามทำกรรมอะไรไว้คือมันก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่คือว่าบางทีเนี่ยมัน เป็นชีวิตที่คือไม่มีคู่สร้างคู่สมกันมาคู่สร้างคู่สมอาจจะไปอยู่ในที่อื่นนะ จ, จะไปเกิดในที่อื่นหรือว่าตัวเองมีจิตใจโน้มเอียงไปทางพรหมจรรย์ที่จะประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์เมลกลายเป็นโสตเพราะถ้าโสตมีศีลเนี่ย มันก็พอดูได้นะฮว่าบุญในปัจจุบันแต่บุญในอดีตเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละก็าอาจจะเบื่อหน่ายในทางกามก็ได้แต่ว่าถ้าบุญในปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นว่าเออเขารักษาศีลเขาก็ต้องการรักษาศีล น, นบริสุทธิ์หมดจดเขาก็ไม่มีคู่ครองมันก็ฟังได้ว่าแต่คนมีบุญจงฟังทึงไร